ไประลึกเยอะไงแล้วหนักไหมเวลาระลึกหนักไหมฮะพอเระลึกถึงเครื่องบูชาทั้งหลายบูชาพุทธเจ้าอย่างนี้หนักไหมหนักใจไหมเลื่อนนั่นแหละนึกตามกําลังทั้งคนไปนึกเยอะไงมันก็หนักไใช่ไหมพยายามอยากจะได้ตามเขาเยอะๆไงเรากําลังเราแค่ไหนระลึกได้ชิ้นหนึ่งเราก็ถวายบูชาไปชิ้นหนึ่ง มีน้อยใช้น้อยค่อยบัญจงอย่าจ่ายลงให้มากจะ ย, ยากนาน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเ้าใจหางคนโอ้โหอยากจะระลึกเยอะๆแต่มันไปไม่ได้ต้องยอมรับใช่ไหมกาลังดี่มันบางคนอาจจะระลึกได้เยอะแต่ไม้กระลึกเพียงแค่นี้เยดอกไม้ยีข้างหน้าโอ้ไม่มีไม่เป็นปะลาร้พอร ะ, ะลึกเยอะขึ้นมาโอ้โหถ้าจะยกสลานี่ชักหนักใจ ย, ย, ยกไม่ออกยกไม่ไหวใช่ไหมไหวไหม มันรู้สึกโอ้โหไม่ใช่สลาของเราไปาใหญ่เลยดนเดนี้คานใหญ่หนักใหญ่ใหญ่แล้วเราได้มาใช้สอยไ้ยเนี่ยได้มาใช้สอยเป็นบุญของใครเออเ น, นี่ยนะทำไมไม่น้อมบูชาไปเอาตัณหาไปใช้ซะ น, นี่ปี่ตัณหาน้อมเป็นของตนเองเนี่ยไม่เคยไม่เคยเสด็จไดใช่ไมก็ทำลายซะที เชื่อไหมบางทีเราเอาบุคคลบูชาพุทธเจ้าไม่ได้อย่างสมมุติว่ายกกระแสขันของยอมบีถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระเจ้าแล้วโกรธไม่ได้ใช่ไหมเราจะเป็นนึกโกรธนึกเกลียดนึกปัทุสลายไม่ได้แล้วกระแสชีวิตนี้เรายกไปบูชาไปแล้วใช่ไหม เราเลยไม่กล้าโกรธก็เลยเลยบอกเอ้ยคนนี้ขอเว้น ห, หน่อยหน่อยเอาไว้บรทุสล้ายเล่นเคเป็นไหมเอาไว้ให้ตันหามันเล่นงานเย <S <S เคยคิดอย่างนี้บ้างไหมไม่กลาอ้าวถ้าเรายกมีลูกใช่ไหมเอาลูกไปบูชาพระเจ้า เราทาท่าจกน้อยใจมันนะเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่เรายกไปแล้วก็เอาเลยไม่ว่ากันไม่กล้าโกงไม่กล้ายึดถือว่าเป็นของเราอีกต่อไปเนาะจริงไม่จริงแต่ตอนเลยไม่กล้าบูชาเนี่ยขอไว้หน่อยเอาไว้ตีหน่อยเอาไว้ <c oughs> <c oughs> เคยไหมเคยคิดอย่างนี้มั้ยกลัวจะทหนีไปได้ได้ยกยแมถวายเป็นพุทธบูชาใ่ยังเยอะเลต่อไปไม่กล้าโกรธเลยใช่หยังโกรธอยู่เปล่าถ้าลูกชายเล่นเกมยังโกรธอยู่ป่าไม่โกรธไม่เครียดเลยเนื แต่ไม่ใช่ปล่อยปลาและเลยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบมเพ็ญบารมีสามสิบทัศน์ท่านผูกบารมีไว้ในตน พอผูกบารมีไว้ในตนแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยผูกอะไรผูกสัตว์โลกทั้งหลายไว้ในตนมองคํานี้ออกไหมแปลว่ากระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในสายกุลจักรวาลนี้พระพุทธเจ้านั้นผูกไว้หมดเลยในฐานะเป็นบุตรเป็นลูกนะและเราจะโกรธลูกของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรกับเราอย่างนี้นะฉะนั้นห้าดอนนี่ไปตำหนิ นั่นถ้าใครมาด่าเราที่คุณกำลังด่าวลลกของพทธเจ้าองงั้นก็เพราะจะมองเห็นใย่ไหมตัณหานี่วิจิตมากขนาดทุกแง่ทุกมุมเลยนะพยายามจะทำลายเขาเขาไม่ค่อยยอมนี่ยมันเวลาเวลาเราระลึกอะไรเนี่ยมันบางคน แบกไม่ไหวมันหนักอยากจะระลึกได้เยอะๆหนักเลยเดี๋ยวนี้เขายกไปห้าชิ้นเราอยากจะยกห้าตามเขานี่ยกไม่มันปวดหัวเลยเดี๋ยวนี้หนักเลยเดี๋ยวนี้ไปไม่เป็นเลยทําไมเราเป็นอย่างนี้ไปใหญ่ก็ทํ้าทำน้อยๆนี่ช่องเล็กๆก็ไม่เป็นไรบางคนก็วิจิตเนี่วิจิตใช่ไหมเหมือนเขาจะไปตัดไม้ไผ่นี่คุณเตัด ตัดแขนงไม้ไผ่รอบหมดเลยตัดรอบเส็จแล้วก็เดินวนดูลำไหนสวยๆ ก, ก็เอาลำนั้นไปบางคนไม่ไม่สนใจแล้วทำเป็นช่องเล็กๆเข้าไปใช้มีดขอเข้าไปเกาะลำไหนได้เอาลำนั้นเป็นไม้ไผ่เป็นใช้ได้ขอให้บรรลุก็แล้วกันคนบางคนนั้นช่องเล็กๆเช่นก็เข้าบางคนไม่ได้เลยนะจะบรรลุแต่ละครั้งต้องอลังการล้านนง พิจารณาหมดเลยพิจารณาทั้งภายในภายนอกละเอียดหมดเลยจะบรรลุทีละทีต้องดูสวยที่สุดงามที่สุดเอาลำที่สวยงามที่สุดอย่างเราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นลำไหนก็คอยได้ประเภทที่อะไร <c oughs> นั่นแหละ ร่มไหนก็ไปบรรลุได้เอาเลยใช่ไหมไม่ต้องไปร้อยสวยงามต้องอลังการละไม่ต้องขนนนะไนั้นคิดอย่างนั้นไหมตัวจะาบรรลุทั้งทีให้มันยิ่งใหญ่หน่อยบรรลุยังไม่มีใครรู้จักเอาไหม <S <S แบบไม่ต้องมีใครรู้จักเลยใช้คำว่าเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งเห็นไหมจะไม่มีชื่อเลยได้เป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งเช่นว่า ยกตัวอย่างเช่นว่าชดินสามพี่น้องพร้อมได้บริวารหนึ่งพันอยู่ในนั้นเน่ย <c oughs> ไม่มนไม่มีใครรู้จักหรอกแต่บรรลุเนี่ยไอ<ไ>่หนึ่งพันก็เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าเสเด็จทอมด้วยภิกษุสงฆ์สี่แสนรูปไงใช่ไหมนั่นแหละที่เสเด็จมาตอนนั้นสุเมธาดาบทท่านบอกว่าถ้าท่านพิจารณาตามธรรมะเนี่ยที่พุทธเจ้าแสดงท่านจะบรรลุวันเนี้ย และจะเป็นพระหลัหันองค์หนึ่งในบร 4, รดาสี่แสนลูบนั้ น, นแต่ไม่มีใครรู้จักนะเป็นองค์หนึ่งท่านก็ถามตัวเองว่าเอาไหมท่านบอกท่านไม่เอาท่านยังเราเอาไหมก็บอกว่าเหมือนว่าเหมือน <c oughs> ท, ที่ที่ตอนที่บรรลุชดินสามพี่น้องพร้อมได้บริวารหน 1, ึ่งพันหนึ่งพันนไม่รู้ใครบ้างเอาไหมล่ะในจํานว น, นนั้นนไม่มีใครรู้จักเอาไหม ต้องเด่นนึ่งโอ้โหฮะองค์ก็ยังบอกว่าออขอมีชื่อปรากฏหน่อยเป็นอาศีติก็ยังดีนะองคน้นั่นนะขอเป็นอาศีติมหาสาวกคงบอกใหมข อ, อมพระหลักา ร, รูปหนึง่งแค่นั้นนะต อ, อนที่พุทธเจ้าแสดงชาดกแต่ละเรื่องว่ามีภิกษุบรรลุ ก, กัน สองพันสามพันหมื่นองค์แต่ไม่มีปรากฏสักงงรือว่าชื่ออะไรบ้างเนี่ยเป็นแบบนี้เบนพระเจ้าแสดงยมกกับิปฏิหารก่อนที่จะขึ้นไปบนดาวดึงตอนนั้นเนี่ยสาตว์โลกได้บรรลุกันสองร้อยล้านในจำนวนสองร้อยล้านไม่รู้ใครบ้างก็ไม่รู้อย่างเงี้ยตอนลงมาบรรลุอีกามร้อยล้าน ในวันที่ลงมาที่สังกษนะออนครห่างจากสาวิีไปสี่รอกิโลเมตรตอนที่เสด็จลงมาตอนที่สังกษะที่ภาษาทิบุญเจ้าภาษาบุญเจาเสด็จลงที่นั่นแล้วก็แสดงทำสัตว์ได้บรรลุกันสามร้อยล้านไม่ปรากฏชื่อสักคนเลยว่าใคร <c oughs> เอาไหมแบบนี้ <c oughs> เอา ออเป็นที่จัมพันสาเป็นเมืองเมืองสังกสานครสังกษานครห่างจากสาวถี400กิโลเมตรไม่เคยไปกันนะพวกเราอ๋อเคยไปเจ้าห่างเป็นที่ที่ที่พระเจ้าประจัมพันสาเดาวดึงแล้วก็ลงมาลงมาตอนขาตอนขาขึ้นที่แดนย ม, มกที่สาวถีตอนขาลงจากเดาวดึงไปลงอีกที่หนึ่ง ตอนนั้นประชาชนก็รอกันอยู่ที่สาวทีประมาณ25โยชที่ปริมาณของประชาชนไปคอยกันอย่หลายประเทศมากไปรอกันอย่รอรอเป้าเสด็จกับพอต่อมาพระโมคคัลนะแจ้งข่าวว่าพุทธเจ้าไม่ลงตรงนี้ลงอีก400กิโลประชาชนก็เคลื่อนขอบวนกัน เพื่อไปรอรับสเสด็จินขนาดนั้นเลยเนะียมืดฟ้ามัวดินเลยตอนปันตอนในสามเดือนนั้นโอ้โหเศรษฐกิจในสาวรธิโอ้โหพอมาจากราชคลื่มาจากกบิลพทัทมาจากเวสาลีมาจากอลากรานครมาจากที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยประชาชนรอรับสเสด็จต่อไปส่งสเสด็จขุนเจ้าหายไปเดือนก็รอหายไปพรรษาหนึ่งก็รอกันอยู่นั่นเละ ถามพระโมคคัลลานะต้องขึ้นลงขึ้นลงมามาแจ้งข่าวให้ทราบว่าพระเจ้าแสดงอะไรแสดงอะไรส่วนพระสารีบุตรก็ไปอุปถากอุปถากตอนนั้นพระเจ้าแสดงธรรมอยู่ไม่ได้พักนี่เนีก็ใช้รูปจำลองแสดงองค์จำลองถอดล่างออกมามาบินทบาทไปบินทบาทที่ สศอโนด ไ, ไ, ไ, ไปที่ป่าหิมาภานชั้นที่ศาโนด่าภาษาริบุตรก็เป็นนวดขอฟังผมเพราะต้องนั่งแสดงธรรมั้งสมเดือนนั่นนะทุกวันนั่ ง, น, งนั่งตลอดเมื่อยก็ให้องค์จําลองแสดงธรรมไปเรื่อยไม่หยุดท่านก็มาฉันอาหารทํากิจเพราะเป็นมนุษย์นี่กลุ่มนั้นคือเทวดากันนี่เขาไม่พักนี่ใช่ไหมท่านพระเจ้าก็มามา นอนพักผ่อนีอยาบทเดินมาภาษาอุบุดก็เป็นนวดฟานพระเจ้าก็แสดงธรรมว่าแสดงเรื่องอะไรให้ฟังมาแสดงให้ภาษาอุบุดภาษาอุบุดก็จํำมาทั้งหมดเลยภาษาอุบุดก็จําแสดงเรื่องอะไระไรนี่ขนาดนั้นนะต้องมาถ่ายทอดพอภาษาอุบุดอุปถามเสร็จแล้วท่านก็กลับไปเข้าร่างเดิมเนี่ยเข้าไปแสดงธรรมต่อเทวดาจะไม่รู้เลยทําอยู่อย่างเงี้ยสามเดือนทุกวันทำทุกวัน ก้าสิบวันใช่ไม่แปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวนิดเดียวนั่นก็คือคือของเขามันช้าเวลาของเขาช้ามากออของเราเนี่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบทุกวันหนึ่งใช่ไหม แต่ของเขาเนี่ยมันใหญ่ของเขาก็หมุนรอบเนี่ยแต่รอบมันก็มันใหญ่ของเขาหนึ่งรอบก็หนึ่งวันเหมือนกันแต่รอบหนึ่งของเขาเนี่ยอยกตัววันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยเท่ากับร้อยปีของเราเนี่ยของเขาจึงไม่กี่ชั่วโมงของเขาจึอย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นของเรามันหมุนของของเขามันกวัวจะหมุนรอบเนี่ย ใช่ของเค้ามันดึงรอบของเค้ามันช้าแต่รอบของเรามันเร็วมันคนละรอบกันอย่างเงี้ยนั่นมันเหมือนกับดวงดาวที่มันใหญ่กว่ากันลึกๆมันใหญ่มะหือมามากขนาดของโลกมันใหญ่กว่ากันมากนันเป็นอย่างเงี้เยอะสิเขาแสดงพุทธญาติแสดงแบบวิจิตเนี่ยแสดงแบบพิสดารถ้าอย่างพวกเราเนี่ฟังไม่ไหวเลยไม่เข้าใจเลยเจมพวกเราฟังจะไปรู้เรื่องไหมเนี่ย ขนาดฟังแบบหยบย่อนี่ยเหตุเหตุสมุยตการนางธมานังตังสมุทฐานานันจารูปานังเหตุปจเจเนปัจโยตีอย่างเงี้ยเยรูปายตนะนางจักขุญญาณธาตุญาตังสมุยตการนานจัธรมานังอารามนาปัจเยนปัจโยเนี่ยเนื้อไไปเรื่อยๆเนี่ยโตตายตนะนางโสตวิญญาณธาตุาตังสมุยตการนานจัธรมานังอารามนาปัจเยปัจโยข้แสดงแบบเนี้ยอันนี้แบบย่อเนีตายเลยกฟังไม่รู้เรื่อง นี่เป็นยังดันรีบบรรลุช่องเล็กๆถูกถูกใช่ไหมไม่ไหวเอาช่องเล็กๆเอาให้ได้บรรลุพอจริงไม่จริงแต่พรทเิ้ามีพระมหา ก, กรุณาธิคุณมากว่าเวลาสัตว์โลก ปรารถนาจะฟังแบบพิสดารถึงจะได้บรรลุพระองค์ก็ต้องแสดงพิสดาร <c oughs> ต้องการจะฟังเป็นวันพระองค์ก็แสดงให้เป็นวันต้องการต้องการจะฟังเก้าสิบวันถึงจะบรรลุพระองค์ก็นั่งแสดงให้ฟังเป็นเก้าสิบวันบรรลุมองคิดดูดิอูดูพระมหากรุณาที่คุณนะมีบางท่านเนี่ยต้องการจะตรวจสอบก่อนถ้าอย่างนั้นจะไม่บรรลุเลยนะเพราะตัดตรวจสอบมหาบุริสระขณะ ทุกชิ้นส่วนก็แสดงให้เห็นหมดแสดงให้หมดแม้แต่ต้องการอยากจะดูว่าพระชิวหาเนี่ยถูกต้องตรงตามหมาบริสรทะต้องแลบลิ้นออกมาให้กษัตริย์แลบลิ้นปิดหน้ า, ากไงสอดเข้าทําให้ดูว่าให้วิจิตบรรจงไงดูลิ้นขนาดนี้เนี่ยลิ้นของหมาบริสุทธิ์ขนาดเป็นแบบนี้ก็ต้องทําให้ดูแม้ปรารถนาจะดูอวัยวะที่เป็นพระคุยหานเนี่ย ก็ก็เปิดให้ดูถ้างั้นไม่ยอมบรรลุอะถ้าผอกว่าท่านอาจารย์ช่วยแลบลิ้นหน่อยถ้างั้นจะไม่ยอมบรรลุทำจะไม่ปังทำเนี่ยโอ้บว่าผมไม่เอาเนี่ดูพระมหาการณ์นะที่คุณท่านนุอุปมาเหมือนกับแม่ที่จะคลอดบุตรเนี่ยโอตรงนี้พระนาคเสด็จโดนโดนพระมายาบลินถามเลยเนะเกินไปพระเจ้าทําอย่างนั้นแล้วใช่ไหม คืเนี่ยตาพราม์ต้องการอยากจะดูอะไรก็ให้ดูให้ดูเนี่ยทำไมทำอย่างนั้นไม่สมกับความเป็นพระพุทธเจ้าเลยพนัเกนาธิามว่าแม่เนี่ยเวลาต้องการความปลอดภัยของลูกเนี่ยแม่ของที่สงวนแล้วตนเองไม่อยากให้หมอดูก็ต้องให้หมอดูเพื่อความปลอดภัยของลูกที่จะคลอดออกมาด้วยความสวัสดีแม่ชั้นใดพุทธเจ้าก็ฉันนั้นถ้าสัตว์โลกเนี่ยลูกของท่านจะได้บรรลุเป็น ภริยาเนียต้องการอะไรทำให้ดูขอให้ได้ไปรู้นี่คือพระหมากรุณานะที่คุณโอ้ขนาดนั้นเลย เ, ยเราลองคิดดูนะว่าบมเพ็ญบา ร, รมีมาเพื่อเพื่อจะดึงเราต้องการอะไรให้แลกอยู่ไกลแค่ไหนนะอยู่ไกลกี่ร้อยโยนดก็เดินด้วยพระบาทล่าไปโปรด ขอให้บำเพ็ญบา ร, รมีมาเสอเอสีดยด้เราบำเพ็ญบา ร, รมีไม่ทันท่านเท่านั้นเองทั้งนั้น่ะเราจะเป็นหนึ่งที่ท่านเดินมาโปรดโปรดเราแต่ตอนนี้มยพระธรรมก็มาโปรดเราถึงเนี้ดูสิเนี่ยเราอยู่ไกลไหมใน อ, อินเดียไกลดูพระองค์เสด็จมาสิในฐ า, านะพระธรรมวินัยเนี่ยมาหาเราถึงนี้ด้วยนะเนี่ย น, น, นี่คือพระมหากรุณาธิคุณนะึงโอ้พระเจ้านี่ไปหาคนที่มีศรัทธา มัเป็นอย่างนี้ถ้าเราลึกและลึกอย่างนี้แล้วทําให้ชื่นใจว่าโอ้โ oh, หพระเจ้าเนี่ยขอให้ขอให้เราพร้อมเมื่อไหร่เถอะท่านจะเสด็จมาแม้แต่ทุกวันนี้ท่านก็ไปอาจจะไปในฐานะเป็นพระไปโยมไปใครไปก็แล้วแต่ที่ต้องการดึงเราออกจากหลมจากโคลนตกมขอให้เราพร้อมเราพร้อมเมื่อไหร่นี่ี๋ยวมากเราจะมีเงื่อนไขใช่ไหมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเหมือนกัน เดี๋มากก็เรื่องการะมกุลนัดกับพ่อกับแม่นัดกับเพื่อนนัดกับอะไรนะสําคัญกว่านัดกับพระธรรมนะต้องสังเกตดูไหมแล้วให้ความสำคัญน้อยกว่าถ้านัดอะไ น, นั้นขาดนัดไม่ได้เลยนัดกับพระธรรมอเอ้ยขอเลือดหน่อยนะ้ะท่านนะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจริงไม่จริงแต่นัดกับเพื่อนปูงนัดเรื่องกามกุลโอ้โหเราเป๊ะเรื่องดีเวลาตรงเป๊ะ เช่นเปอร์เ ส, สัญญาถอนเงินในธนาคารบอกเงินโอ้โหบอกไม่ได้ไม่ได้ไปคอยเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยไปคอยเลยแต่นัดกับพระธรรมเลื่อนเลื่อยเลื่อนเื่อนเออพออย่างงี้เลยนะพวกเราถึงไม่ได้บรรลุนี่ยมันมีเงื่อนไขพวกนี้แหละอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเกล็ดที่เราอะไรนะมันเป็นปัจจัยทําให้เราไม่ได้บรรลุ<ส><ญ>อ๋อเรามีเงื่อนไขถ้าเข้าหาพระธรรมเราจะมีเงื่อนไขเข้าหาพระเจ้า แต่ถ้าหากเรื่องการมากูุเนี่ยไม่เคยผิดเงื่อนไขเลยเป๊ะตรงเวลานี่เป็นอย่างงี้มีอะไรจะถามไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีอะไรสงสัยกันพระขอสงสัยสักข้อได้ไหม <c oughs> <c oughs> มันมีอยู่เรื่องหนึ่งพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกรรมวาทะเป็นวิริยะวาทะเป็นกิริยะวาร t ้น<ม>หมายถึงอะไร<ม>วิริยะวาทะ เป็นกิริยาวาทากิริยาวาทาคำว่ า, า ก, กิริยาวาทานี่แปลว่าอะไร การทำด้วยทำด้วยทำด้วยความต้องรที คือกรรมวาทาเนี่ยเชื่อว่ากรรมใช่ไหมการกระทํามีผลใช่ไหมกิริยาวาทานี่พูดถึงกิริยาที่กระทําออกไปมันเป็นกรรมไม่ใช่ไม่เป็นใช่ไหมการกระทำเนี่ยมันเป็นกรรมนะเป็นเป็นเชื่อว่าความเพียรเนี่ยมีผล การกระทำเนี่ยทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยกิริยาที่กระทําออกไปนั้นเป็นกรรมไม่ใช่ไม่เป็นกระบวนการความคิดกิริยาที่คิดออกไปก็เป็นกรรมเนะไม่ใช่ไม่เป็นใช่ไหมที่ประเด็นก็คือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกรรมวาทะเป็นวิริยะวาทะเชื่อว่ากรรมคือการกระทําใดๆแล้วมีผลแน่นอนแล้วก็เชื่อความเพียรใช่ไหมเชื่อความบากบั่น้อมปาโรคความเพียรใช่ไหม ไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งการอ้อนวอนร้องขอรอผลพระเจ้าบอกว่าเอ่อที่บอกว่ากรรมวุนาวัสโลโหติกรรมวุณหโหติพรหมโนคนไม่ใช่ต่ํำสามเพราะชาติกําเนิดแต่จะต่ํำสามก็เพราะกรรมคือการกระทําคนไม่ใช่จะเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดแต่จะเป็นพรามบริสุทธิ์ประเสริฐ สูงสุดเป็นพระอริยะได้ก็เพราะกรรมคือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเห็น ไ, ไหมไม่ได้วัดกันที่แต่วัดกันที่กรรมคือการกระทำเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยหลักพุทธศาสนาสอนอย่างนี้คนไม่ได้ไม่ถามว่าหลักกรรมเนี่ยเป็นหลักการจําแนกมนุษย์ไม่ใช่หลักชาติกําเนิดทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเวลาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะโทษ ปัจจัยภายนอกเวลาเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมาปุ๊บบางคนก็โยนเป็นกรรมในอดีตเช่นในปัจจุบันเนี่ยสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นกับเราปุ๊บเนี่ยเราโยนให้กรรมในอดีตปุ๊บเลยไม่ใช่ฉันทําในปัจจุบันหรอกเช่นเกิดมามีโครคภัยไข้เจ็บมากเกิดมามีหน้าตาไม่สวยงามเกิดมาไม่ฉลาดอะไรก็แล้วแต่เหอะเเป็นกรรมในอดีต เกิดมายากจนเกิดมาอะไรก็แล้วแต่ในรรมรวยเนี่ยอ๋อเป็นผลนึในอดีตเราไปโยนในกรรมในอดีตอย่างงี้นะเป็นปุกเพรกระต่ายให้ตัวท้าวง น, นี้คือไม่ไม่รับผิดชอบนั่นเองเ อ, อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ฉันไม่ขยันนะปัจจุบันเนี่ยฉันก็ขยันนี่แหละแต่ฉันไม่ประสบความสําเร็จเป็นบกกรรมในอดีตปัดไปเลยอย่างนี้นะ เนี่ยคนโดยส่วนใหญ่จะโยนความรับผิดชอบอีกกลุ่มหนึ่งโยนให้พระเจ้าไปเลยเทพเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเลยปฏิเสธความเพียรในปัจจุบันปฏิเสธกรรมในปัจจุบันปฏิเสธกิ ร, ริยาที่การการะทําในปัจจุบันแท้จริงการความเพียรในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันเนี่ยกิริยาการที่ทําปัจจุบันเนี่ยมันพลิกสถานการณ์ได้ทุกอย่างพลิกได้หมด เปนพิกได้แต่เรากลับไปโยนไงโยนก อ, อหลักปุุเพกแต่เห้ตัวถ้านเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาเลยนะแต่ก่อนเนี่ยฉันเป็นเลยนะฉันบวชใหม่ๆฉันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วฉันก็นึกว่าอ๋อเป็นกรรมในอดีตนะเนี่ยในข้าวในข้ า, ามันมันเป็นการปัดภาระอันจริงๆทาให้เราไม่ขนขวายเลยะฉันเรียนไม่ได้หรอกสู้ก็ไม่ได้หรอกหัวเอาหัวสู้คนนี้ไม่ได้ เคยเป็นไหมเคยคิดไหมไอความรู้สึกอย่างเงี้ยอ๋อคนคนนี้เขาเก่งกว่าเราก็ดีกว่าเราก็ฉลาดกว่าเราเลยนะเลยเลยโยนไปให้กรรมในอดีตหมดเลยเราไม่ได้ขวนขวายในปัจจุบันถ้าคิดอย่างนี้ยุ่งเลยนะโอ้เราคงไม่ได้บรรลุแล้วนี่เนะอดีตเราสั่งสมมาไม่ดีไอตรงนี้เป็นเรื่องของไม่ไม่รับภาระแต่มันก็ชื่นใจนะ ถ้าเราโยนโยนให้เป็นกรรมในอดีตเสียรู้สึกเราไม่ได้ทําผิดอะ่ะอย่างเช่นอายุเราเรามีโรคภัยไข้เจ็บเยอะอตอนเช่นป่วยอะ่ะเขาคิดท่านก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ทําไมมีโรคภัยไข้เจ็บมากโอ้คงเป็นกรรมในอดีตแล้วกันโอ้คิดอย่างนี้ปับ๊บมันชื่นใจแวบหนึ่งเหมือนกัน <laughs> แต่เราดูดูแล้วอ๋อใช้ชีวิตผิดอย่างเงี้ยนย่งมีป่วยอย่างป่วยปัจจุบัน เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันอ๋อเป็นกรรมแน่ดีเชื่ในใจไม่คิดอย่างเงี้ยไม่ใช่เราทําในปัจจุบันหรอกเรื่องขวัญขวายในปัจจุบันที่ดีดีอ๋อที่ขาเป็นแบบเนี้ยไปที่ตึงๆมึนๆอย่างเงี้ยอ๋อเป็นกรรมใน่ดีที่เป็นเนื้อ ง, งอกเนี่ยก ร, รมแน่ดีและคิดอย่างเงี้เชื่อ ใ, นใจนะแต่ที่ไหนได้คิดผิด <laughs> พฤติกรรมที่ทําในปัจจุบันนีการใช้ชีวิตไม่เป็น การกินอาหารที่ไม่เหมาะสมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมกันใช้ยาบทที่ไม่เหมาะสมการไปเครียดการไปหมกมุ่นกับงานการที่ไม่รู้จักการที่จะผ่อนคลายใช้ยาบทเป็นสมสมาตายัางไงฝึกความคิดเป็น ส, สมดุลยังไงการทํากรรมที่เหมาะสมยังไงอยู่ในสิ่งที่สปรรยายะยังไง <T> ความฉลาดในการแสวงหาทราบ ย, ยังไงแสวงหากัลยาณมิตรยังไงมันขาดมหมดเลยเยอะหมดแล้วขาดสปญญายะจังเยอะอุตุก็ไม่สปายะยาบทก็ไม่สปายะอาหารก็ไม่สปายะ บุคคลที่เกี่ยวข้องก็ไม่สปายะทางโครจรไปทํางานก็ไม่สปายะธรรมะก็ไม่สปายะยุ่งเลยเอียบทก็ไม่สปายะขาดสปายะหมดเลยไม่ป่วยได้ไงใช่ไหมเนี่ยขาดกรรมในปัจจุบันการกระทําในปัจจุบันมันผิดกรรมในเดียก็ได้โอกาสด้วยเราไปเปิดช่องให้มันอย่างเบลอขนาดนั้นเนี่ยต้องหลับตาเดินลงไปตรงนี้พวกนี้เราจะมีศพอีกหนึ่งศพ ในเดินหับตาแล้วเดินเนี่ยเราทำดีเนี่ยกุศลให้ผลเราเนี่ยใช่ไหมแล้ว เ, เราไม่เห็นต้องกลัวเลยอดีตเราทํามาดีอยวเดินดิหลับตาเดินพื้นๆไปเนี่ยลองเห็นไหมเนี่ยปัจจุบันนักรรมเนี่แหละมันผิดเราเราเราเชื่ออย่างนี้จริงๆนะพุทธศาสนาเป็นกรรมวารธาเป็นกิ ร, ริยาวาทาวิริยาวา่าเชื่อว่าทําเนี่ยมันมีผลทันทีมันได้รับผลจริงๆเลยเนี่ย จะบรรลุทำได้จริงๆถ้าขวนขวายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เรากับเบรกเราเราเองไปทำจนอายุมาขนาดนี้เลยเวลาบรรลุซะอีกถ้า <c oughs> ไม่ขวนขวายตอนนั้นเนี่ยยังไงล่ะแล้วเราก็ถูกสอนกันมาอย่างเงี้ยโอ้คงไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมมันก็เลยไม่ขวนขวายกันเต็มที่เลยถ้าเราฉลาด ก็เรื่อเชื่อฉันท้าเชื่อปัญญาเชื่อความเพียรเชื่อก ร, รมในการกระทำเนี่ยเราจะเป็นมหาเศรษฐีในพบในในปัจจุบันบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่เราก็ละเลยเนี่ยเราละเลยเลยนะแค่ทั้งโลกเรายังผิดพลาดกันเลยมันทำได้หมดจริงๆและในขณะเดียวกันจะเป็นมหาโจรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ มันได้มันตรงกันข้ามได้หมดเลยนะมนุษย์คนคหนึ่งเนี่ยถ้าเข้าใจกระบวนการเรื่องกรรมวารทะกิเลยวารทะวิเรยวารทะถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนสถานการณ์ได้หมดเลยแต่ปัญญาต้องถึงด้วยเนี่ยปัญญาความสามารถก็ในกรรมเนี่ยเนี่ยความฉลาดในการทํากรรมนั่นเลยแล้วก็ยังไม่ต้องอะไรอย่างงั้นถ้าฉลาดในการทํากรรมหน่อยก็เป็นเศรษฐีย่อมย่อมเลยนะเนี่ยเพราะเงินเนี่ยผ่านมือมันไม่รู้เป็นร้อยล้านเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยคนคนนี้แต่เห็นไหมเนี่ย ในปัจจุบันนี่แถวมีถึงไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่าความประมาทแท้ๆเลยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าลองไม่ประมาทใช่ไหมไม่ธรรมดาเนี่ยเงินผ่านมือไม่รู้เท่าไหร่แต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยเนี่ยก็คือชี้ให้เห็นว่าแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยไปค้นขว้าทันไหมไม่ทันอะไรถึงไม่ทันสถานการณ์มันเปลี่ยนเยอะมากไม่ถึงบุญบุญมันหมดกําลังแบบนี้ คือมัน้นขวายไม่ทันแก่ไปแก่ไปแต่พอตัวรอดได้ไหมได้แค่จะให้มีทรัพย์อยู่ได้อย่างไม่ลำบากอย่างนี้ได้ไม่ได้แต่จะ้นขวายเป็นระดับเศรษฐีใหญ่ไม่ได้แต่ที่พูดนี่ไม่ใช่แนะนำให้ออกนะ <c oughs> เพราะไม่ทันแล้วทำไงจะ้นขวายในการจเจริญกุศลเพื่อจะได้ทำสางสารวัตรให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ จะขวนขวายนี่ก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมอย่างพวกเราเ น, นี่ยนะแค่จะขวนขวายในการเจริญกุศลก็เหนื่อยหนักแล้วนะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทางโรกกันแล้วขวนขวายแค่จ ะ, จะเจริญกุศลเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเลยไม่คือต้องเต็มที่เอางั้นเลยเพราะโรคเราเนี่ยมันมาพอเราจะเริ่มขวนขวายจเจริญกุศลมันมาแล้วอะไรเนี่ความดันมาแล้วเดี๋ยวไขมันตามเดี๋ยวหวัวใจตามเดี๋ยวอะไรปอดเดี๋ยวตับเดี๋ยวไตอะไรลูกมาใหญ่เลยแต่เนี้ย นี่ก็เรียกว่ามันจะลุยความจะลุยเจริญกุศลก็มันมาแล้วตาก็เริ่มไม่ค่อยดียังไหมแล้วเนี่ยไปอย่ากขนาดหึดออกกําลังกายกันนะกําลังเต็มที่พอเจออาหารอทนไม่ได้กินก่อน <c oughs> ดูกิเลสมันี้กําลังขนาดนั้นเลยนะแล้วนึกนีกลับว่ากินไปเสร็จแล้วพออิ่มแล้วแม่นึกกินทําไมเนี่ยวนนะย่างังี้ยนะเพอเฮ้ยอยกินทำไมไม่น่าคิดผิดเลยอะไรเงี้ยนะ จริงไ้มจริงนี่ยเลีเป็นยังงขนาดนั้นเลยมันก็อืดอัดแต่เนี้ยอึดอัดใช่ไหมมันเป็นอย่างเง้ยแะแต่ว่ามันหิวอะตอนนั้นเนละมันหิวมนทนไม่ได้ไงคือ นี่คันนั่งน้อย ใ, ใจเยอะทำไมเราไปกินวะ <c oughs> พูดไปแต่จริงๆก็คือว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำไมเราไม่กินกับเขามาของด็กินไม้ไวเนี่ยก็คือ คนแก่คนแก่ไม่ควรมารู้ธรรมนี่เรื่องจริงเลยนะมันมันมีเงื่อนไขบางทีเงื่อนไขร่างกายไม่พอมันเงื่อนไขความคิดคือมันมีข้อต่อรองในใจก็เยอะนั่นเป็นกรณีศึกษาแล้วพระเจ้าให้เอาเป็นตัวอยา่างให้เอากันตัวอยา่างมันมีจริงๆแบบนั้นนะ ราธาพามบวชตอนแก่บวชตอนแ ก, นแก่เป็นกรณีศึกษาแต่ลองคิดดูเลยคนแก่ๆรุ่นข้างต้นไม่ได้บรรลุเยอะมากเนี่ยอย่างเงี้ยประเภทที่ควนขวายจริงๆคล้ายๆคนทิ้งทวนเนี่ยพิดหวังทั้งโลกหมดแล้วภรรยาไล่ไม่มีที่ไปแล้วควนขวายเต็มที่เลยในยุคควนขวายเต็มที่ แล้วได้บรว่าง่ายเป็นคนแก่ที่ว่าง่ายเป็นลูกศิษย์ของภาษาริบุตว่าง่ายแล้วก็แนะนำอะไรทำหมดเลยทำทุกอย่างน้าถามว่าจะมีคนแก่กี่คนหนึ่งคนแก่จะเป็นไปลักษณะพูดรู้เรื่องได้ยากเขาก็อยากจะอยากจะทำให้ถูกนะแต่มันจะมี ฟังแล้วมันไม่เข้าใจเพราะแก่ตัวไปเนี่ยว่าเอาเราลองคิดว่าเห็นหน้าคนบางคนแล้วเราเป็นเคยเคยเป็นไหมเราไม่อยากคุยด้วยถือถ้าไปคุยแล้วมันจะต้องหงุดหงิดกับเราถ้าเราพูดอะไรไปเนี่ยมันจะมันจะหงุดหงิดหรือไม่อย่างนั้นก็จะมีเรื่องทะเลาะกันกลยเป็นยังไคนบางคนเนี่ยเรารู้เลยถ้าพูดไม่ได้เข้าไปคุยปุ๊บเนี่ยเรียกเป็นคนพูดกันรู้เรื่องได้ยาก เขาเรียกว่าเป็นโทจัสตาโทจัสตาเป็นการพูดกันรู้เรื่องได้ยากพอยกประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บเป็นปากเสียงกันทันทีเลยทั้งๆที่เรามีเจตนาวจะแนะนําจะบอกในเรื่องพูดไม่ถูกกานบ้างทําไมต้องพูดอย่างนี้คําพูดงี้ไม่ถูกต้องพูดอย่างงี้ทั้งๆที่วัตถุประสงค์คือต้องการให้เข้าใจนะแค่ผิดประโยคเดียวแค่นี้เป็นเรื่องทะเลาะกันเลยเคยไหมคนลักษณะนี้คนเป็นคนพูดได้ยากพูดรู้เรื่องได้ยาก ไม่ใช่คนเขาเรียกมันมีความวิจิตในการที่จะไม่ยอมเข้าถึงสาระกันไปติดแค่ภาษามีภาษาเป็นเครื่องกัน้นนี่เป็นคนพูดกันได้ยากพูดกันได้ยากมากสามีภรรยาบางคู่นี่เป็นอย่างนี้เลยยกประเด็นคุยกันไม่ได้พอยกขึ้นมาปุ๊บเป็นเรื่องกันทุกเรื่องเลยก็อยากคุยกันก็นแล้วกันพอทำทำอะไรก็ก็เขาเป็นเขาอย่างนั้นบางเงินเนี่ย เคยเห็นใช่ไหมแล้ว เ, เยอะมากบางทีแม่กับลูกพ่อกับลูกคุยกันไม่ได้แต่เขาคนอื่นคุยได้หมดนะแต่กับคุยกันไม่ได้ ท, ทั้งที่หวังดีเนี่ยคุยไม่ได้คุยไม่ได้ไไดเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นโทวจัสตาต่อกันเป็นการพูดกันได้ยากพอสอนวจัสตาเราไปแปลว่าว่านอนสอนง่ายมันคนละเรื่องลเลยเลยในนี้ แท้จริงก็เลยพูดแล้วมันเข้าใจถึงแม้พยานชนะมันไม่ตรงแต่เข้าใจวัตถุประสงค์เช่นบอกว่าจะช่วยเดินไปเอากระมังหน่อยแท้จริงไม่ใช่กระมังหรอกคือชามนั่นแหละแต่คนฟังปั๊บรู้วัตถุประสงค์แ้อ๋อชามเขาจะไม่แย้งเลยคนประเภทที่จะไม่แย้งเลยเพราะว่าภาษาก็คือจะสื่อกันยังไงก็ได้แต่วัตถุประสงค์ก็คือ ต้องไปการหยิบเอาไภาชนะชนิดหนึ่งมาเพื่อใส่น้ำอย่างเงี้ยคือคนบางคนเขาอ่านสถานการณ์เอาเหมือนนางวิสาขาเนี่ยเหมือนนางวิสาขาเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องนี้มฉลาดในบัญฉลาดในในบัญญัติอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าใช้คนใช้ให้ไปไปที่มนพระคนใช้มาบอกว่าไม่มีพระนี่แต่เหมือน เหมือนพวกปริภาชกแก้ผ้าอาบน้ำอยู่นางวิสาขาบอกว่าเอเดี๋ยวค่อยไปนางสาขารู้ดีว่าพระท่านแก้ผ้าอาบน้ำตอนฝนตกเต็มไปหมดพอนางคำนวณเสร็จให้เป็นนิมนต์มาให้นิมนต์เห็นไหมเนี่ยพอนิมนต์เสร็จปุ๊บนี่เธอไม่พูดอะไรเลยเนี่ย ถวายอาหารเสร็จพอได้จังหวะโอกาสเธอไปพอ่อพระธดยาขอพรเลยขอถวายผ้าอาบน้ำฝนในภิกษุตลอดชีพนี่เนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างคนฉลาดมากในเชตวันมีปริปาชคเต็มไปหมดตอนอยู่อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ด้วย ทีแรกจะไปอยู่จะไปสร้างจะไปสร้างวัดติดกันเชตวันเลยมีเรื่องราวเกิดขึ้นด้วยปริภาชคเป็นจำนวนหลายแสนเลย เ, เป็นจำนวนเป็นหลักล้านเลยเพราะาศาสนาแข่งขันกันอยู่นั้นมองไม่ดีก็เป็นนักบวช ด, ดีๆลพวกพวกไ อ, าอา้อจิรกาศโคนหัวถือภาชนะไม่ใส่เสื้อผ้าเขาถือเขาประกาศความเปนาานน็นอารามของเขาจไหมแล้วก็มี เหมือนภาษาลีบุตรเนี่ยภาษาลีบุตรไปหาพระอาสชิบอกให้พระอาสเชียช่วยแสดงคำสอนพระเจ้าให้ฟังพระอาสชีบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใหม่ในพระธรรมวินยัยไม่สามารถที่จะเอาคำสอนกับพระเจ้าเนี่ยแสดงให้วิจิตบรรจงได้ทุกพยัญชนะได้ภาษาลีบุตรบอกพยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไรท่านแสดงดย่อมา ส่วนการไปขยายเป็นหมื่นในแสนในเป็นล้านล้านในเป็นเรื่องของข้าพเจ้าเองขอใท่านแสดงหลักการมาท่านก็แสดงไม่กี่ประโยคเลยไหมเนี่ยอย่างเนี้ยปัญญาชัดเลยเนี่ยแสดงอริยสัจทําเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดเพื่อสมณาเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรเหล่านั้นพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้แค่นี้สรุปลงอริยสัจปุ๊บท่านเข้าใจทันทีท่านไปขยายเองหมดนะที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอันนี้อันนี้จัดอันนี้ปัญญาจัด อย่างเราเนี่ยแสดงพิสดารเราก็จำได้ยอ่อใช่ไหมพอแสดงยอ่อเราจำไม่ได้เลยในยอ่อจบไม่ได้เลยไอ้ที่แสดงยอ่อจำไม่ได้อย่าไปเยอะคแสดงยอ่อเนี่ยเราจำย่อก็จำไม่ได้พอแสดงพิสดารวู้เยอะไปอีกจับประเด็นไม่ได้ไม่รู้อะไรเป็นทุกข์สัตว์อะไรเป็นสมุทยัยยะสัจจะแสดงไม่ได้จริงนะอย่างเยอะก็อย่างเชไห ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดอนี่ท่านชี้ทุกหรือหรือสมุ ท, ทยัยอ้าวว่าเป็นทุกหรือสมุ ท, ทยัยทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดนี่ท่านแสดงทุกขสัตว์หรือสมุทยาาาัยยสัจจะลองเดาดทีทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดหมายถึงอะไรถ้าบอกเป็นทุกขสัจจะหมายถึงอะไร ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดอ่ะอันนี้แสดงทุกริั์หรือสม ah ุทัยะสัจนินบอกว่าสม um ุทัยนายบอกสมุทัยยมแอบอกว่าทุกอ่ะทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าบอกว่าเป็นท at ุกขสัจนั่นหมายถึงอะไรอ่ะต่ อ, ตอสมมตินะทาไมาถึงท at ุกขสัจแล้วถ้าหมายถึง ah สมุทัยสัจจะได้แก่อะไร พระทุกษสัตว์คืออะไรถามต่อหมายถึงอะไรทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระได้แก่อะไรทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระ สมณะเจ้ากล่าวถึงเหตุของธรรมเหล่านั้นและความดับเหตุถึงธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ <c oughs> มันมาจากคาว่าเยธรรมาเหตุตุปภวางเตสังเหตุตุงตถาคโตอาหะด้เตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาติมหาสมโนเนี่ยธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้ากล่าวถึง เหตุและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นกล่าวถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดธรรมะเหล่านี้อันนี้กล่าวถึงทุกขสัตว์ถามว่าทุกขสัตว์ในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงขันธ์หหมายถึงอุปาทานกันธ์ พระพุทธเจ้ากล่าวถึงเหตุเหตุในที่นั้นกล่าวถึงสมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานสังขารกะกมและกล่าวถึงความดับเหตุความดับเหตุกล่าวถึงตัวนิโรธสัจจะในคาถานี้แสดงสัจจะสาทุกสมุทัยนิโรธ เมื่อกล่าวถึงทุกสมุทัยนิโรธมักที่ไม่ได้กล่าวชื่อว่ากล่าวแล้วกล่าวแค่สามสัจจะบรรลุได้นี่พูดภาษาอิหร่านอย่านะงเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่ากล่าวสัวจจะอะไรเห็นไหมเนี่ยไม่รู้เนี่ยมองออกไหมยังไม่ออก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรฟังเป็นอัธยาศัยวะ เอาไว้บรลุในชาติต่ อ, ตอไปเจ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นอัธิยาใสาอันนี้ <c oughs> นี้นี้นชี้ให้ดีดูตรงนี้มันไม่ง่ายจริงๆไม่ง่ายคนที่เขาจะรู้ตรงนี้ก็คือเพลวาเขาฟังมาอ่านมาศึกษามาเนี่ยก็แยกอย่างบอกว่าเกษาผมเนี่ยเป็นสจัจจะอะไรเกษาสมุทยา เป็นสัจจะเลยเกษานิโรธะเป็นสัจจะอะไรเกษานิโรธาคามีนีปฏิปทาเป็นสัจจะอะไรเอาดิผมเส้นหนึ่งเนี่ยนะแสดงทุกสัจจะสี่ได้เกษานี่นะผมที่ปักไปบนหนังสรษฐที่มันมีกายยประสาทยอยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นทุกข์สัตว์ ตัณหาที่เป็นปัจจัยกรรมที่ทําให้ได้ผมมาอย่างเงี้ยได้ผมมนุษย์ผมของอเบียศาสตร์ผมของเทวดาทั้งหลายที่ได้ผมมาเนี่ยตัณหาเหล่านั้นนะกรรมเหล่านั้นที่สร้างมานะี่เป็นสมทุทยัยสัจจะนี่นะถ้าดับไอ้ดับตัวนิโรธสัจจะนะดับผมจะได้ดับตัณหาที่ทําให้เกิดผมจะได้นี่เป็นนิโรธาสัจจะข้อปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรธเป็นมครมคมรคสัตต์ดูสิเนี่ยผมเส้นเดียวนี่นะ เวลาเยกเกษาเกสาสมุททยะเกษานิโรธาเกษานิโรธคำมิยมปฏิเวธามะแปลว่าพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจพยโยคําว่าเกษาขึ้นมาในพระุทธเจ้าแสดงอริยสัจแล้วนั้นเนี่ยแสดงทุกเมื่อกล่าวถึงทุกเหตุให้เกิดทุกต้องเชื่อว่า ต, ต้องกล่าวแล้วเพราะว่าจะต้องทํากรรมมาถึงได้ผมต่างกันโดยที่นเนี่ยเนี่ ย, นยบนหัวแต่ละบุคคลเนี่ยมีมีผมต่างกันหมด มาจากอะไรมาจากตัณหาที่ปรารถนาอยากจะมีผมมาจากกรรมพราอมีตัณหาก็ทํากรรมเพราะความไม่รู้ว่ามีผมมันนี่ไหมมันจะเดือดร้อนเพราะผมยังไงเนี่ยเพราะความไม่รู้นี่แหละเพราะอาวิชานี่แหละทําให้เราทํากรรมที่จะได้ผมพอได้ผมมานี่ยตอนนี้อายุง่งเลยที่นี้เลยก็ได้ทุขรรกข์สัตว์ใจมาก้อนนึงได้ผมเงินมาตามส ภ, ภาพที่ตัณหาสั่งสร้างมานี่เ โอ้โหพอได้มาแล้วก็ต้องมาประครบประงมต้องมาดูแลกันอยู่ทุกวันนี้แหละเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตัวมันเองไหมไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกอย่างยังไงนี่ไอ้ทุกข์สัตว์เป็นอย่างเนี้ทีนี้จุดหมายคือว่าทํายังไงผมจะไม่เกิดอีกต่อไปทํายังไงตัณหาที่ทําให้ผมเกิดไม่เกิดอีกต่อไปเป็นนิโรธข้อปฏิบัติก็คือปฏิปทาที่ทําให้การดับผมไม่ได้ทันะ้งจุดหมายปลายทางนี่ได้นี่เนไหมนี่เนี่ยลักษณะอย่างเนี้ย ทุกชิ้นเลยท่านแสดงอริยสัจหมดเลยเกสาโลมานักขาทันตาตาโจปไปรอะไล่ไปเหอะมังสังนารู้อัธียาธีเป็นจังวกากังหาทยังยากันตากิโลมะกังเนี่ยเป็นอริยสัจเลยเนี่ยมองกันท่านแสดงอริยสัจใช่ไหมล่ะจากขูงนี้เป็นทุกข์สัจตาเนี่ยเป็นทุกข์สัจกรรมที่ทําให้ได้ตาเออมิตัญหาเราอยากมีตานะ อย่าไปต้นหามันถึงสร้างมปนยมันถึงยึดครองเนี่ยเพราะมันสร้างมาจริงๆต้นหายมันมันสร้างมาเนะสร้างตามาแล้วก็กรรมมันก็สร้างมาใช่ไหมเอวิชาต้นหาประทานสังหารกรรมมันทําให้เรามีจักรุประศาที่ต่างกันออกมาเนี่ยมันก็ยึดครองแล้วมันก็สร้างตาต่อไปใช่ไหมสร้างทุกข์สัตว์ต่อไปเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละยากไหมเนี่ย โอ้ยสองทมแล้วพักกันดีกว่า